ฮะทั้หมดเออยึงนะฮะห้ า, ส, าสิบสีส่สสสสแล้วก็อหติวสาเมื่ออย่างนัพอได้ภาษาไทยเรามีได้ทูองหรือไม่ทุกอง นือคงยังไม่ด้ทุกคนเหือผมผมผงสามกันแล้วก็แย่อย่แย่งผมก็คำง่ายที้เลยอบรมพระก็ไม่ยากแค่หก็มีอย่างมากก็มีจารฉัน แต่แจะพูดอะไรก็พูดคงก็แง่งสาระไม่มีโอกาสที่จะสอนพระโดยจะเพราะเหมือนตั้งแต่ก่อนที่ยังหนุ่มย้อยอยู่สลงกับกระจายไปหมดไปหมดก็เป็นแกงหม้อใหญ่เลยหาประมาณไม่ค่อยยญ่สำหรับพระผู้ก้องกลาง ทำอย่างดิ่งจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้แง่ใจในพระพุทธศาสนาของเราเมืการมาบวชของเราก็ถูกต้องุูอย่างตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คอยพากันกั้ง อ, อกกั้งใจปฏิบัติ <c oughs> ในสามแง่โยกศาสนี่เนี่ยมารวมเรื่องศาสนาแล้วก็คือพระพูดกับศาสนานี้แเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารสอนสัตว์โลกเพื่อมักขผลนผพานจริงๆ ไม่ผีคลาดคือองคศาสยาของเราแต่ละพระองค์พระองค์แต่เพราะอย่างยิ่งในผูษธกาสนาของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์สั่งสอนถูกต้องแม่งยำไม่มีคำว่าผีบ้าพากเป็นศาสนาธรรมย่ยจงคือ ทำที่สอนโลกด้วยความถูกกล้องเรียกว่าสวขาขากระทำ <c oughs> เป็งจ่าสัญญาที่ดือโลกรื้สอสงสารให้หลุดพ้นจากทุกข์แต่ยากโยยํำยับตามกำลังความสามารถของตนหนึ <c oughs> ่งสำหรับเราเป็นนักบวชขอให้ทลุกคุกช่าง <c oughs> มองอยู่หัวใจความเคลื่อนไหวของตัวเองจะออกจากใจเป็นอันดับแรกในจังใจปฏิบัติสังเกตสัติเป็นสำคัญในเพ <c oughs> ่ของฟ้าเราผู้มุ่งก่อมรรคผลิพานสัติเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เผอสัติ สติควบคุมได้หมดที่เหตุัหนานแย่งขนาดไหนก็ตามขอให้มีสติจะควบคุมที่เหตุทั้งหลายตัวเป็นฝืนเป็นไฟได้โดยลำดับอย <c oughs> ่านั้นก็ปัญญาผมก็ชวนตัวเข้ามาแล้ว <c oughs> อยู่กับโรกก็อยู่ไปนี้พูดโกงๆนะ่ะ ไอย่างนี้เหมือนว่ายืมอยู่ไปว like ันหนึ่งสองวันไปอย่างนั้นเหมือนเราไปเยี่ยมยากที่น้องเพื่อนฝูงที่บ้านนั้นบ้านนี้เออไปแล้วก็คอยเกะกะกับ้านหรืออะไรของสนอย่างนี้อายุนี้ก็มาถึงเก้าสิบสี่ปียางนี่แล้ว ไอ้ยางนี้รู้สึกว่าเรื่องของธาตุของขันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ยืมอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วคอย จ, จะจากไปด้วยชาตุด้วยขันอยู่ตลอดเวลาหากเป็นของมันเองสำหรับ การปฏิบัติและการแนะนำสอนสอนเพื่อฝูงนั้นผมจะแนะนํา ส, สอนด้วยความแง่ใจทุกอย่างไม่ว่าทำไม่ว่าวิา่งไหนจากการประพัติปฏิบัติของตัวเองนี่แล้วก็แนะนำส อ, สอนด้วยความสูกจ้องในหัวใจตนเอง กระจายออกไปก็ไม่สงสัยว่าสอนเพื่อนฝูงผิดไปที่ส่งไหนไม่มี <c oughs> ภูทธศาสนานี่เช่านั้นในโลกอันนี้เป็นศาสนานที่สตร์โล ก, กจะเกาะยืดได้ายใจได้ตั้งแต่พื้นคืนจนกระทั่งถึงชำที่สุดบิมูามนยผ่านไม่นอกเหนือจากภูทธศาสนานี่เลย <c oughs> เป็นศาสนาที่สูกจ้องแม่นจำเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นที่อีกนอกนั้เราก็ไม่ได้ประมาทอะไรเพราะศาสนานี่จากเกิดขึ้นจากความเห็นของบุคคลเป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเรามาโดยลำดับตั้งแต่ไหนใครมาแม้ครัง้งพุทธการก็มี หลายศาสนาหลายรัตฉิเหมือนกันแต่รวมแล้วก็ไม่มีสาสนาใหญ่หรือยะติใหญ่ที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระูู้ทธศาสนารึ <c oughs> ่งเป็นศาสนาที่ยือโลกคืทสงสารเพื่อมรดกยลติพานใหญ่จริงผู้สร้างบารมีก็เป็นความถูกต้องแม่นยำ ก้าวเดยนไปเรื่อยๆด้วยอำนาจวาสนาบารมีของตอนนั่นแหละเพื่อในโลกนี้มีผู้ธศาสน ญ, ญาเท่านั้นขอให้พากันยึดแล้วผู้ธศาสนาการรวมยงสำหรับนักปวดเราก็คือความมีสติละมั่นสว่างรักษาตอนอย่าเห็นสิ่งใดเป็นของหยิบของดีในโลกกนนียิ่งกว่าศาสนาธรรม ที่สอนพวกเราไว้แล้วหรือรวมแล้วเรียกว่าคือทำทำเป็นของวิเศษวิสูเลิศดรลสุรอดแล้ว <c oughs> มีผมก็มีจะยืมวันยืมคืนอยู่ไปานาดการที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเหมือนเราก่อนเรียกว่าเป็นไปไมาได้แล้ว <c oughs> เรื่องความเมตตาสงสารผมเมตตาผมสงสาร เต็มกำลังแต่ที่จะให้แสดงออกตามความเมตตาสงสารนั้นถ้าขันไม่อำนวยแล้วก็ตกลงก็เลยอยู่ไปอยู่ไปวันหนึง่งวันหนึง่งตอนนั้นงขอให้สุกสุขชันดูตัวเองด้วยการปฏิบัติมีสติเป็นสำคัญสำหรับผู้ศาสนาเรานี้หายสงสัยแล้วไม่มี อะไรที่จะเป็นข้อข้องใจว่าพระผู้ที่เจ้าได้ตรัสได้สอนว่าผิดไปไม่มีเพงเรียกว่าสวาขาระสามตรัสได้ชอบแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสติเป็นสำคัญนะผมพูดจริงๆอย่างที่เคยสอนแล้ววันนี้ก <c oughs> ็สอนย้ำอีกทีว่าวารมาพูดปฏิบัติตั้งแต่ล้มลมกูคู่คานตะเกียบตะกายมา ได้ผลเป็นที่พอใจหายงสงสัยตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้ยเ้าสิบสามหลังวัดดอยธรรมเจรีย์จังหวัดสกลนครเวลาห้าทุ่มพอดีเพราะระยอ น, นั้นมีนาิกาตั้งแต่บัดนั้นมา ไม่ปรากฏเลยว่าที่ตัวใดที่เคยเป็นค่าศึกต่อหัวใจเรามามากน้อยก็มาสิ้นสุดยุติกันลงในคืนวันนั้นเวลาห้าทุ่มป็นหนึ่งว่าฟ้ารินฉ ล, ล่มรุนแรงมากสำหรับความเป็นของผมผิดแต่ว่าผิดกับใครใครก็ก็พูดได้เรายกตัวอย่าง เป็นลูกศิลูกหามมีท่านสิงทองเป็นต้นท่านปฏิบัติทำไปละเอียดไปละเอียดไปอย่อนี้ก็หมดไปหมดไปจนก็ทั่งเจ้าของหายสงสัยว่าไม่มีอะไรแล้วในแดนสมมตินี้ติดใจไม่มแีแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าขณะใดเวลาใดได้แสดงความชิงที่เนเลยสินเชิงให้ รู้ให้เห็นประจักษ์ใจมีท่านพูดว่าอย่างนั้นสําหรับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนฟ้าดินท่าลมผมเป็นอยู่หลังวัดเรารมจิตีคําว่าฟ้าดินท่าลมก็คือกายกับจิตจิตนี่ดีถึงโอกายนี่ดีถึงอะไรที่เยอเวลาจิตกับใจขาดจากกันเท่านั้น่ะ ดิผึ่งจึงเป็นเหมือนฟ้าดินกระหลม่มมันเป็นอยู่ที่กายกับจิตไอ้ฟ้าดินเขาก็เป็นสภาพของเขาอยู่อย่างเดิมนะ่ะแต่มันเป็นอยู่ในจิตในกายของเรานี่เป็นจริงๆจนได้เกิดความอัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าอ๋อโหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอคือพูดอะไรมันก็ไม่ถึงใจกับความจริงที่ปรากฏขึ้นในขณนะ ผ้าดินสลบนั้นเออพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ลเลยหรอมันเจ้ามันข้าไปหมดเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเราเอามือจ่อลงตรงไหนก็ถูกน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันหมดนี่พากิ่งนี่ผางเข้าไปในจุดนั้นแล้ว เป็นนามมหาวิมุตต์มหานิพอานอันเดียวกันหมดหาสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกทุกข้าองค์ว่ามีหรือไม่มีไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นเดียวกันแล้วเป็นมหาวิมุตต์มหานิพอานอันเดียวกันแล้วเรือเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้ ว, รร ว, ลวถ้าทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหลอนั่นอย่างนี้ได้เหลือซ้ำแล้วซ้ำแล้าให้ถึงใจในขณะนั้น พระสงฆ์แทรเป็นอย่างนี้แล้หรืออ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ตั้งแต่เ ร, เริ่มแรกถือศาสนามาจนกระทั่งขณะนั้นนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมาชาติในขณะที่ว่าฟ้าดินทลาย ผ่านไปแล้วนั่นแหละืทําแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้หรอือหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ตั้งแต่บัด น, นั้นมา <c oughs> ก็ไม่เคยปรากฏว่าขี้ตัวไดแม้ไม่สีไม่ใสจะปรากฏขึ้นภายในใจให้เกิดความสงสัยว่าอี้ของเราเนี่ว่าผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้ว มามีข้าศึกสักตรูคือกิเจสเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เคยมีตั้งแต่บัด น, นั้นจึงเรียกว่าหมดว่าสิ้นทียาชาจางจะแสดงอาการอะไรออกมาก็เป็นพลังของธรรมไปเสียทั้งหมดพลังของกิเลไม่มีจะแสดงอาการกีรยาเหมือนโลกสงสารบางทีดุด่าว่าเกา่าเปหนึ่งว่าโหดร้ายชาลุนเป็นพลังของธรรมทั้งนั้นเดียว ไม่มีเรียแทรกกันมาเลยจึงได้หาสงสัยตั้งแต่วันนั้นมานี่คือหนแห่งการปฏิบัติขอให้พากันเอาจริงเอาจังยาวละเอียอยาเห็นสิ่งใดในโลกนี้สำคัญยิ่งกว่าทรทมนี้กล้าตลอดเวลาดูในหัวใจนี้นะยืนเดินนั่งนอนกล้าอยู่ตลอดเวลาอาการลิโกเพราะฉะนั้นจึงก้าพูดทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อทําทั้งหลายที่เราเชิดชูสุดหัวใจเราออกเป็นกิจยาเส้นเสียนหนังสือบอกไว้ตามหน้าวัดหน้าวา <c oughs> สถานที่นี่เป็นที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีจิตจาเป็นไม่ควรมาเชี่ยวเพีน้นพลาดก็คือกิจยาของที่มาตรงไหนใครใหญ่ใหญ่สุ โตขนาดไหนก็มีแต่ชื่อแต่นามสมมติกันมาความจริงไม่มีมันก็กลายเป็นเรื่องว่ามูดคูดเข้ามาโปะทําให้เบลอเปืเป้อนไปหมดใครเข้ามาเข้ามาในว่า น, นี่มองดูแล้วมันมีเแต่มูดแต่คูดเต็มตัวเต็มตัวมาไม่มีทำเข้ามา ม, มันก็ขวงอยู่ในจิตที่สะาสุดยอดแล้วนั้น ตลอดเวลาที่สัมผัสสัมผัธ์กับสมมุติหรือกองมู่ของผู้สังหรณ์นี่จึงต้องเขียนไว้อย่างนั้นด้วยธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันธรรมชาติที่เลิศเลออยู่ภายในใจนี่เลิศเลอตลอดเวลาอันนี้เอาอา ก, กาศให้โลกทั้งหลายได้ฟังได้บ้างได้เห็นได้บ้างว่าทำอยู่ที่ไหนคอยวิสิทธวิสว์อยู่ที่ไหนอยู่ชี้ใจกับธรรมไปรนเดียวกันแลกเจ้าข้าพโลกธาตุ ไปหมดเลยมีจึงได้กล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยโชกสานกับขีดตัวใดของผู้ใดไม่มีคําว่าสูงว่าต่าธรรมชาตินี้เลิศเลยภาพโลกาศาสตร์ไปหมดแล้วไม่มีอะไรเสมอเหมือนจึงกล้าพูดออกมาด้วยความไม่โชกสานและเป็นที่แน่ใจของตัวเองตลอดมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนนัแล้ว การเทศนาว่าการสั่งสอนวู่ว่วนผมไม่เดยสงสัยสอนจริงจังในชำทุกขั้นจนกระจั่งถึงวิมุติผลิพานถอดะวัจากหัวใจที่เป็นวิมุติผริพานเต็มดวงนี้แล้วถึงไม่เคยจะสงทานว่าจะผิดไปขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ <c oughs> ป, ปฏิบุติปฏิบัติกําจัดปิเรศภัยในใจตัวนี้เปล่งภัยมากซีเยียว โลกทั้งหลายเวลานี้กำลังหนาแน่นไปด้วยกิเลสเหล่านี้เต็มโลกเต็มสงสารทำแทบไม่มีอยู่ที่ไหนมีความ บ, บ่นว่าทุกข์ทั้งนั้นใครๆก็หาซวมทุกข์แต่สิ่งที่ได้มามีความทุขความโกรธคว่วายทุกตัวจัดหาคอาสุกไว้ได้เพราะไม่มีธรรมของใหญ่ ขอให้มีสาวข้อใจอยู่ที่ไหนสบายหมดการอยู่การปีนความไปอยู่ผุ้ว่า ย, <c oughs> ยูไปวันอย่างวันอย่างพลางเพราะธรรมชาติั้นพอแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะตอกติแล้วสมบูรณ์เต็มที่อาศัยสมบูชกอาศัยไปอย่างนั้นกิงไปใช้ไปอยู่ไปหลับนอนไปอย่างนั้นพอถึงการเวลาแล้วก็ดีถึงนั่นเองพอขันกั บ, กบเป็น สมบุติสุดท้าที่ขาดส บ, บั้นออกไปแล้วนั่นหละที่เมือความรับผิดชอบทุกอย่างในบรรดาสมบุติมีขานเป็นต้นขาดต้องบอดโดยสิ่เชิงถ้าเรียกว่าอรุปาที่เ ส, สียสัาดเป็นที่หัวใจขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัตนะิหน้าที่การงานอะไรเราทำเพื่อเราทั้งนั้นไม่ว่าจะงานเฉพาะตัวเองงานสามัคคี ปัดกวัดเช็ดถูทำข้อวัดปฏิบัติเป็นงานเพื่อเราคนเดียวคนเดียวทั้งนั้นแหละแม้จะอาศัยทำกันด้วยความสา ม, มัคคีเป็นมเป็นเพื่อนรวมกันก็ตามแต่ผลหลักละเนหลักธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องของตัวเองตัวเองด้วยกันทุกคนจึงพากันตั้งอกตั้งใจทั้งกิจการภายนอกกิจการภายในอย่าเลยปล่อยได้วางอย่าเลยประมาทนอนใจ โรกนี้มีจะเกิดกับตายที่เต็มไปด้วยกองทุกตา น, นั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไปละือกี่กับขี่กันก็แบกกองทุกไปอย่างนี้ถ้ากิเลสยังมีอยู่ในหัวใจถ้ากิเลสสิ้นไปจากใจแล้วก็ก็แบกกองทุกไปตามเรื่องของท่าของขนันจิตใจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยนั่นแหละบุรุมาสุขอยู่ที่ตรงนั้นเห็นปะกันตั้งอกตั้งใจนะ ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เอาจริงเอาจังทุกอย่างอย่าล่อนเหลย <c oughs> อยาโยครอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูหัวใจจ้ของตลอดเวลาตัวเป็นภัยอยู่ที่นั่นถ้าดูหัวใจด้วยสติแระคับประคองอยู่แล้วเรียก ว, ว่าเป็นธรรมตลอดเวลาเป็นความเพียรตลอดเวลาถ้ามีสติประจำตัวถาขาดสติเมื่ อ, อไรความเพียรขาดนี่นั่นะ วันนี้ก็เทะยอ่อมีโอกาสอันนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะสอนหมู่เพื่อ น, นอย่างไรสําหรับผมเองแล้วก็อยังคี่ว่านี่แหละอยู่ไ้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับว่ายืมวันยืมคืนอยู่ไปเท่านั้นไม่มีอะไรหละการอยู่การจิงการใช้การสอยไม่ได้สนใจกับอะไรโศกบศกไม่โศกบศกอยู่ไปจางนั้นแหละทุกวันนี้นะ่ะ ถ้านาพูดเป็นแบบโรกก็เหมือนว่าคอยแต่เวลาจะดีดออกเท่านั้นจากขันคือแดนสมมุติอันสุดท้ายนี้เท่านั้นเองเพราะจากนั้นแล้วก็หมดนิพานงวารวางสุ่ขังเป็นในหัวใจอยู่แล้วตั้งแต่ขณะที่ขีเด็ขาดสวรรค์ลงไปไม่มีสิ่งใดกวนใจมีขี้เด็ดเท่านั้นเป็นสมมุติยอดสมมุติก็คือขี้เด็ดพอขีเดดนิขาดลงไปแล้วสมมุติทั้งหมดขาดจากใจเลย จ้าตลอดเวลาให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะทุกคนแล้วอย่ามองดูคนอื่นยิ่งกว่ามองดูตัวเองใครผิดใครถูกื่อดีให้อภัยกันเสมออย่าไปโยกโทษยกก่อนยกโทษเขาก็คือยกโทษเรามาเผาเรานั่นเองให้ดูตัวเองเรามาปฏิบัติทำให้ดูหัวใจเราดูที่ไม่ถูกต้องดูหัวใจเจ้าของเสมอ เอาละวันนี้พูดอย่างนั้นนี่เอาเริ่มนะเอาจะทนำะ อ, อะไรก็ทำได้แล้วก็แช่วันนี้ได้ประมาณสักยี่สิบปีที่จะได้นะละมานี่ก็กำลังตี่ะเริ่มตีห้ามานี่ก็ตีห้ายี่สิบปีแล้วเสียผาเหนียวที่สุดเลยนะอืม เอาเลยเอาเลยเอาาวเข้ามาเลยเอาว่าเอา้าเข้ามาเอาให้รู้นะเผกันทำกันเลยพรวันมาตอนนั้นโอ้โหเปองตอนันผู้ิจังการับฟังห ตามนี ar, like <pf unlikely> ้ก็งานตามมาจ n นั่งจับกระทะไปกูจะลามันก็ไมย่อนจับปลาเนสูรีโอี้เพอล่ะฮะนขันดาห์เพื่อนจับตุ้งตุ้งะก็จั i ปวาร a n a งปวการจับก a จะจับจุกมากทรอต อีธานีสุริยาโลกัตตาสุตายนาทีคราเรตุคูู่นาวัตางยานังเตยุูธานสตว์นเนคเด็กตังาารณอวารณานอาลังนัตยินตังอวัตรเชีมายังัดขับพา่าวิวานิานังอีคู่นางอาวะตนจิตุุานังนาม่จะตังอสิันตังอตังอาวิเเเอวังปุอาสิพง ภูตูนีอาปนาสสเนเฮมันคือทางวัานานางวัฒนาตมีพ่อตีมายังวัฒานถึงจะอุปนิสักาจักพรรดิกาวรนาดีนะปะเทศัวรนาตั้ปัจายปัจจการจัพาตวราตั้งายาริการจักพรีารตวรนาตัจจาริยปัจจารียกัพรริยีกรตวรรนาตังริปัจจารยการจัีารต ผ้าหนังทาไกังนนนะงจะิบพอารณวพารณะทายปันาดีตนกนะีมุ่มนะเตปัญญาปัานตเิยังเตุกนต อาเรตเอนันเตที่คุณีนโมวารปนาดีนิตาทังนักตายทีรกานังิจนังตานิกระน้านังิจนังปะตยาปะินิทะริวันะริงิจนปะรินิทีทางโตทีเตจะิเเาตวจาี่ปัญญาวสีขามุกีนั้นเรื่อะ ยาวตูกมสงภวาน่าจักวาลวาอธิเวนาตปตะาารว่ังยาตั้งสรเรวาอุปิาเตชะพัาสรงอุจิวะเอกาที่มายังอุปิาเตะอกโอษนานว่าเตนะวาิเทนจันติเตะอุปิตาคัาเตัาตโตบริการ่โอเนวเกปเร เดวันต <necessary. S 2> uh ่างพวารณะธรรมอิเมติจะตุนีละเสนีทั้งต่างปัสสะกลังงามโอติการุงตโรปังพวารณะธมต่างปัสสะกลางต่างฤทธวิถวอิจาริการยะมะนัพวารณะธรมอิเมตินะอะโมโมตัสสะสาเุโมตัสสะมหาโททุอรหะโตสัมมาอะโมตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสังมุธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสังมุธะสะเทวาตุวเมธิเตสังโฆอาจพวารณาปะนาราสียาดิ้นรนหาพระตาเทลังทั้งวันังคิดั้งพวารยีย สุนารุณเมตตสังโฆอาศะปวารณาปัโนยิสังัสสะปะสังังสังโฆสมาิกังปวารยะุนุเมตสังโฆอปวารณาปัโนยิสังัสสะปะสังังสังโฆลิกังปวารยะ ที่นี่อะไรก็ดาวโบพอบกันละคู่เข่าใไ่ไหมเออคู่เข่าดาวโบพบกันโอ้ยผมก็คู่เข่าลําบากแล้วนะทีนี่มันจะคู่เข่าไม่ได้แล้วมันวนกับลาคารันลหลายกระดูกกระดิไปไหนก็หมดกําลังเลยเดี๋ยวนี้จะลุกก็จะลุกไม่ขึ้นจะนั่งก็ตกตมลงก่อนเลยละดาวโบนะ เออเอาอย่างนี้เลยสภาพเอาพักแต่เลยละนามโอตัสสังนวาตัวอรหัตตสัมมาสัมูตัสนาโตัสสวตหตัมมาสัมตัส นามวาัตสาะยาวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมบูดาสักแล้วอะไรต่อไปเฮ้ ง, งเอ อ, <ะ>อเออค อ, อ, อ, อ, อยเตือนนะคอยบอก <c oughs> นั่งคู่ขเขาได้ไหมแล้วเอานี่ออกนั่งคู่เข่าด้วยันเราจะพอได้ไหมคอยดู สร้งคอุโสปารเนอะนะคับสร้าอุโสปวาณ์นีิดเทวาสุเตนวาปริ้ังกายวาวดันตุมังไอนันโตอนุกำปังอุปาดายปัตตันโตปจิตติสาวินะสามัญเนี่ย ดุติยาปิสร้างคำพันเตปวาเลมิอิเทนวาสุเตนวาปริสร้างกายวาวดันตุมังไอสัมโตอนุกมปังอุปาายปัจสั่โตปตะกิสาเมตตายมปิสรงสังพันเตสรงขังอาวุโสโววเิอิเทวาสุเตนวาปริสรงกายวา วั Nokia ันตุมังอาญสันโตอนุกรมปังอุปดายาปัตสันโตปะิการิสัมมสัตว์นี่คาทำอประโยนผมจะ้งคเปวาปีทรวาสังตานวาดันตุมงอาสันโตอนุกรมปังอุปดายาปัตสันโตปิริสมทั สังฆะย a นยามตีทานเต้สั่งทางพว p รีมีเทนวาสุเตนวาปริสังกายวะวะดั่ตุมวะนัยสมเโตอรุตัมภะอายาปัจโตปจิตริศามิสสะยืยามเต้สังทาวารีีเทนวาสุเตนวาปริสั่งกายวะวะดั่ตุมวะนัยสมเโตอรุตัมอุปาย ปัสสันโตปะติการิตาไม่หนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสองสาเดเสิ ว่าอย่างุมากัยะสมนโตอนุธรรมปุปดายะพัฒนโตปฏิกริษานิอายานิมนเตสรงทำแต่วาเรนม a ดิเทนวาสุเทนวาปริสงกายวาวาุมยสมนโตอนุุปายะัโปฏิกริ เส็จเสร้อแล้วนะวันนี้เราก็จะไปฉข่ข้างนอกใช่ไหมไปฉข่ข้างนอกวันนี้เลือกกถิอะไรให้พากัพิจารานะ ก, กันได้กาหนดกันใช่องไหนไปแล้วแล้วให้พิจารากาัผมไม่ได้เรื่องะอยู่ดีอยู่ไปแั้ละ่ะเป็นคอนซูงอยู่เลยทำกา พระทั้งวัด่ะมันหมดสภาพแล้วล่ะหมดสภาพจริงๆล่ะธาตุขันนี่ส่วนจิตใจนี่พูดให้ฟังชัดๆเจนหมดโดยประการทั้งปวงเรื่องสังขารปราชิกอะไรๆนี่ผ่านหมดฟังะนะจิตบริสุทธิ์สะอย่างเดียวดีดผึงผ่านหมดเลยกิริยานี้เป็นกิริยาของส ม, มุิที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญจญัติไว้เข้ารบตามเริมไม่ให้บกหุกคลองไปได้เลยแต่สำหรับจิตนั้นผ่านบทดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีอามัตอาจีสังขารประทิก็ไม่ผิดผ่านหมดโดยสินสนดดยส้นเชิงนี่แหละจิตดวงเดียวผ่านด้วยเท่านั้นเรียกว่าผ่านหมดสมมุิไม่มีให้พากัน ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ่ะเอาจริงเอาจังมักผลิพานอยู่ที่หัวใจของทุกองค์ทุกองนะเราจะไปตื่นต้มตื่นแจ้งกับใครต่อใครก็ตามตเฉพาะอย่างยิ่งพระเราเดี๋ยวนี้มันเอาผ้าเหลืองคุมหัวมันแล้วก็อาศัยผ้าเหลืองกินเอายศของกิเลสจึ่งเป็นมู่เป็นคู่เข้ามาเป้เป็นใหญ่กว่ า, าศาสนธรรมไปแล้ว ดูที่สมณศักดิ์จะใหญ่กว่าอาวุโสบันเตม่เคยมีที่ไหนเวลานี้มั น, มนแทรกขึ้นมาปีนขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> อาวุโสบันเตตั้งแต่แสดงอาบัติท่านก็ยกขึ้นตลอดนะท่านเคารพขนาดนั่นเราจะเอาสมณศักดิ์สมณเสกนี่เข้ามาเหยียบพระพุทธ เ, เจ้าดูไม่ได้เลยนะพากันตั้ง อ, อกตั้งใจ <c oughs> ความเพียรให้อยู่กับตัวทุกคนทุกคน มืดแจ้งเป็นอันหนึ่งที่เรียกไม่มีมืดมีแจ้งนะทาก็ไม่มีมืดมีแจ้งให้จำละสะสางอยู่ภายในใจทุกคนวันนี้ก็มีเท่านั้นแะนะเพราะชันก็จะประชาดดรู้อะทุกอย่างท่านตุใจใพิจารณาสมุดในะนะเรื่องสังกกิจสังกัก ร, รรมเกี่ยวกับเรื่องกระทงกระถินใครจะเป็นองค์สวจอะไรให้พิจารากันทันนะเออเอาละเลยละาพากันกลาบะ กับแล้วก uh ็เ huh. ริกก so ันกับนะแล้วก็เริมกันเร็จลหมดแล้วกมันจะลุกไม่ขึ้นนะผมมันนั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเวลานั่งก็ตกตมเลยอืมเพราะนั้นพอเอาเอานี่ออกเอาอนีออกเอาเอานี่ออกีวนเอาออกเลยพับขึ้นนะอีวนพับขึ้น คอนูงเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคอนซูงกันแล้และร่างกายถูจัดทุกส่วนเป็นคอนซูงไปหมดตอเทวดเจ็บุไปได้เลโอ้โอเคมแล้วละ เออเคึ่งเท่นั้ น, นะนแหละมเราสิกะวานพอีเออาพอดีนั่นไอ้ี้ไอ้ี้นั่นเป็ น, นอ้มาแล้วไอ้ขี้เจ้าเราต้งไปวะเาเรานปล่อยเ้วเรเียว่ะอนไอ้เหียนะ แล้วนเนี่ยไปปกวาดไป